นี่คือการเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพี่ยวธรรมะ com อาตมาพระไพบุญอภิปุนโนจังหวัดป่าดอนไห่โศกทุกสัปดาห์ก็จะมาพร้อมกับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกราบนะมัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันตแพนะทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับอืมตอนนี้เป็นตอนที่ตลาดแล้วคุณหมอห้าสิบสามห้าสบสามครับนะเป็นตอนที่สองของปีสองพันหร้อยห้าสิบห้าหใช่ ต้องการจะมีสิ่งหนึ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นไปในรายการนั้นคือเราจะมีธีมนั่นคือธีมคือหมายความว่าเป็นโทนของรายการที่เราจะมีใ น, ในช่วงเดือนนี้ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยซึ่งเป็นเดือนแรกของปีในหลายๆคนจะมีก็เรียกว่าตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับบางคนก็คิดมาตั้งแต่ปีปลายเดือนธันวาปีที่แล้วก็มีซึ่งหลายๆคนก็มีปัญหานี้ว่า เฮลิสที่ฉันต้องการจะทําให้มันเสร็จไปในปีเนี้ไม่เหมือนกับปีที่แล้วเลยแล้วก็เหมือนกับสองปีที่แล้วด้วยครนะก็คือหมายความว่าสองปีผ่านมาหรือ3ปีผ่านมาคุณไม่ได้มีการดําเนินการอะไรให้มันเสร็จสิ้นเลยยังไม่ได้ทําช่หรือไม่เสร็จหรือทำไม่เสร็ จ, รร อ, รจอ่าเพราะฉะนั้นก็จะพูดถึงหมวดธรรมะข้อนี้เพราะนั้นธีมของเดือนนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอิทธิบาท4ี่นั่นคือบัตรฐานในความสําเร็จ ซึ่งอาตมาต้องการจะไคล์ไฟเมื่อตอนที่แล้วที่เราได้พูดไปว่าคนที่ไม่มีอธิบาทเนี่ยนะเป็นเหมือนคนกลวงคนลวงโลกใช่ไหมครับซึ่งต้องการทําความเข้าใจตรงนี้ให้มากขึ้นนะว่าอย่างสมมุติว่าคนที่แบบแบบไปช้องปีใหม่แล้วก็ไปแสงสียิงพลุจุดพลุดื่มกินเนี่ยนะเป็นเหมือนกับลาแมงเมาส์อะแมงเมาส์เนี่ยเขาจะเห็นไฟแล้วเขาก็บินเข้าไปบินเข้าไปใช่ไหมปิดเข้าหาไฟบินเขาหาไฟพอถูกความร้อนก็ตายแต่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแสงสีแบบ เขาเรียกว่าแม่งเมาแมเาแต่คนที่รู้ธรรมะเนี่ยรู้ธรรมะเนี่ยเป็นผู้ที่ได้คอยสดับฟังธรรมะเนี่ยสีสันในชีวิตของเขาเนี่ยจะมาจากการที่เขาเจริญอิทธิบัติสีคือคนที่เจริญอปธิบัติสีเนี่ยคือมีเป้าหมายในชีวิตไงมารดาฟงเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยกุศลธรรมเจ็บไหยอย่างเช่นเราเจริญชันทะอย่างเงี้ยบางคนจะมีความสับสนว่าเอ๊ะเจริญชันทะแล้วมันจะไป มันจะดีไหมพระพุทธเจ้าให้ละกิเลสความอยากนี่ราคาโทสาราคะพวกนี้แล้วมีฉันทะนี้จะถูกต้องหรอครับซึ่งฉันทะในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไปชัดเตชัดเจนนั่นคือฉันทะที่อาศัยสมาธิเป็นประธานเกียรตินะก็คือว่าเมื่อไหร่เรามีทําเครื่องประแต่งทําเครื่องประแต่งในที่นี้คือเป้าหมายของเราใช่ไหม <Okay S 1> ที่พอรเรามีฉันทะแล้วจะเกิดกุศลธรรมขึ้นได้กุศลธรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้คือ คือการที่มีสมาธิเป็นประธานกิดครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสีสันในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่เป็นส่วนประกอบด้วยกุศลธรรมรนะอันนี้คือสีสันของคุณสีสันในชีวิตของคุณอเอาแค่ว่าบางคนคบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าฉันต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านนะแต่เอาแค่ว่ามีคนมาด่าเราแล้วเราโอยไม่โกรธหรอกเราโอ้ ย, ไ ม, ออยไม่ด่าตอบหรอก นะความที่คุณคิดว่าโอ้ยฉันไม่ทำหลอกความชั่วนะ่ะนั่นแนหะคุณมีอิทธิบาทสีทันทีไม่ได้ยากเลยเนี่เพราะรว่าเรามีความตั้งใจในการที่จะสู้กับความชั่วนั่นนั่นแหะคือสีสันของคุณเป็นอิสระที่คุณเลือกได้คนที่เขาไม่มีสันนะมรดกของเขาก็จะด่ากลับทันทีตอบโต้อะตอบโตท้ทันทีคือเป็นธาตุเป็นธาตุของสิ่งที่มากระทบในขณะที่ ค, คนที่เขามีความรู้เนี่ยคนที่เขารู้ธรรมะเนี่ยเขาจะเลือกได้ไง เอ๊ะฉันจะด่ามันดีไหมหรือฉันจะนิ่งไวด้ดีหรือฉันจะเมตตาเข้ากลับดีหรือฉันจะยิ้มตอบดีแล้วมีทางเลือกได้หลายทางเป็นผู้ที่มีอิสระแต่ว่านั้นเราจะมีอิสระในลักษณะของอิทธิบาทสี่ด้วยอิทธิบาทบสี่นี้พระเจ้าก็ยังพูดถึงว่าเป็นทางสายกลางด้วยเหมือนกัน<อ>นั้นในเนย้อของอที่ส่วนที่อยู่ในโพลที่ปักจยธรรมสาสิบเจ็ดนะว่าอันนี้คือทางสายกลางไม่ใช่ส่วนสุดเข้าไปสุดตรงสองอย่างคือทางสายกลางนี้นอกจากที่เราเคยเออ่ คุยกันมาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นทางสายกลางใช่ครับอ๋อใช่ใอิทธิบาท4ี่ก็เป็นหมวดธรรมที่อยู่ในทางสายกลางด้วยใช่ไ้มครับเคยพูดถึงทางสายกลางอยู่3มระดับใช่มอ่าหมายถึงอันนี้ที่ท่านพุทธตาท่านแต่งไว้อะนะอันดับแรกก็คือเรื่องของอริยสัจสอันนี้เป็นทางสายกลางใช่อันดับกลางเนี่ยก็คือทุกหมวดเลยในโพธิปัจิยธรรม37บเนี่ยตั้งแต่อริยมรรยงแปอะหาอิทธิบาท4โปชง7็พวกนี้เป็น มัชชีมาปฏิปทาหมดแล้วเบื้องลึกขึ้นมาก็คือพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอันนี้ก็เป็นทางสายกลางเหมือนกันอเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเวลาเขามาด่าฉันก็ไม่รู้ว่าจะตอบสนองอยังไงก็ไปตอบสนองไปตามที่โลกกทํากันนั่นคือคุณเป็นคนกลวงคุณเป็นคนหลวงโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตอย่างน้อยคุณต้องตั้งเป้าในการที่คุณจะทําความดีนะไม่เป็นคนประมาท นะยังน้อยมีอย่างนี้นะแล้วถ้าเราจะตั้งเป้าอะไรที่มันชัดเจนลงไปคุณก็สามารถทําได้อ น, น, นี้คือเรื่องของอิธิบัติสี่ออันนี้หมายถึงว่าทั้งทางโลกและทางธรรมเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คือในจิตลึกๆของเราเนี่ยคือทางมันไม่มีเลือกอะไรมากหรอกแค่ อ, อ ก, กุศลกับ อ, อ ก, กุศลใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างเราจะหาเงินอย่างเงี้ยก็เป็นได้ทั้งที่เป็นกุศลและ อ, อ ก, กุศลใช่ไหมใช่ครั บ, รบอยเรารจะดูแลลูกค้าอย่างเงี้ยเราก็ดูแลได้ในแนวทางที่เป็นกุศลและอกุศล อยางเราจะเลี้ยงลูกหรือตอบสนองกับภรรยาคู่ชีวิตของเราอย่างเงี้ยหรือสามีคู่ชีวิตของเราอย่างเงี้ยคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะทํากุศลหรืออกุศลอการมันมีทางเลือกแค่สองทางเพราะฉะนั้นทางที่พระเจ้าให้เลือกเนี่ยคือทางสายกลางนี่ยคือทางที่เป็นกุศลธรรมนะเพราะว่าอกุศลเนี่ยก็สุดตรงข้างหนึ่งใช่ไหมอกุศลเนี่ยจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่ชุ่มอยู่ด้วยการกับส่วนที่ทําตัวเองให้ลําบากอันนี้จะเป็นอกุศลทั้งสองอย่างครับอ ส่วนสิ่งที่ทางสายกลางคือกุศลธรรมท่านเองอ๋อทีนี้ต้องต้องกุศลนี่เป็นทางสายกลางคืออกุศลก็เป็นที่บอกว่าอาตักิลมัฐานนุโยกก็เป็นทางที่สุดตรงข้างหนึ่งแล้วก็ตรงข้างหนึ่งการสมาสุขการนิโยกโอ้อีกข้างหนึ่งอ๋อเรื่องต่อไปตรงนี้มันมีนิดนึงว่าความเข้าใจของคนทางโลกนึกว่า อ, อกุศลเป็นสุดตรงข้างหนึ่งกุศลเป็นสุดต่งอีกข้างหนึ่งแล้วก็เฉย ๆ, ๆคือไม่ยินดียินรไลเป็นกลางๆอันนี้คืออันนั้นจะไ ม, ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่คือทั้งหมดเนี่ยเป็นทางสายคือพูดถึงกุศ <arrangements shades S 2> ลธรรมก่อนนะเป็นทางสายกลางใช่ครับแล้วที่เหนือออกไปจากนี้คือกุศลเนี่ยเป็นส่วนแห่งบุญล่ะแล้วที่เหนือขึ้นไปกว่า น, นี้เบื้องลึกเนี่ยก็เป็นส่วนที่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจนี่ก็เป็นทางสายกลางเหมือนกัน อ, อ, ยอย่างสมารถที่สีที่เราพูดถึงว่ามีส่วน2 ส, ส่วนใช่ไหมส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับโลกแล้วก็ส่วนที่เหนือโลกลส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกก็คือเพื่อเรื่องกุศลเหล่านี้ครับับอนต่อไปจะพูดถึงประเด็นถัดมาคือเรื่องที่การทําพลีกรรมคือกา ร, ร, ก ร, รที่เราใช้ทรัพย์สินต่างๆใช่ไหม ที่เมื่อเราสตาง์ที่เราเรพูดถึงเทวดาปลีใช่ไหคือเทวดาเนี่ยคือบุคคลที่ออาจจะไม่ใช่เทวดาที่เราไม่เห็นตัวอ่ใหรือเทวดาที่แบบลอยใบลอยมาอย่างนั้นแต่เป็นเทวดาเดินดินนะเทวดาที่เป็นบางทีเราประสบปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยคุณหมอรัตพงศ์เจอปัญหาในชีวิตอยู่ๆก็มีคนมาช่วยเราอย่างเงี้ยโอ้คนนั้นเหมือนเทวดาเลยนะมาช่วยเราอ่าซึ่งซึ่งเหมือนกับเทวดามาช่วยเราจริงๆเลยเราควรจะบูชาคนแบบนี้ ด้วยการแบ่งปันทรัพย์ให้เขานะเป็นเทวตาปลีหรือบูชาเทวดาอย่างนี้หรือบางคนที่เป็นบุคลาก ร, ก ร, ก ร, กรทางการแพทย์นะที่เขามีหัวใจเทวดามีหัวใจมีความรักความเมตตาตรงเนี้ยคุณบูชาเขาได้เลยอันนี้คือที่เราพูดไปเมื่อคราวที่แล้วนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องอื่นๆมันทำให้มีความหมายเบื้องลึกในเรื่องปลีกรรมตรงนี้ด้วยอ ย, <ม>อย่างเช่นเปตะปลีอย่างเงี้ยคือบูชาคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมเปตะปลี คือทําอนุเคราะห์คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเปตตาปลีตรงเนี้ยังรวมถึงเปรดใช่ไหมคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงคนที่ไม่มีศีลไม่มีอิบาลคือคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตคนชั่วๆเราก็ควรจะอนุเคราะห์เขาด้วยการแบ่งปันทรัพย์ให้ด้วยอเปตตาปลีครับแล้วคําว่าราชพลีนะราชปลีนี่หมายความว่าอุทิศเพื่อช่วยชาติใช่ไหมที่ท่านพุทธทาสบวงเล็บเอาไว้นะอุทิศช่วยชาติตรงนี้ ถ้าเราจะพูดถึงในความหมายเบื้องลึกนะคำว่าชาติเนี่ยคือหมายถึงการที่ช่วยให้คนอื่นเนี่ยเขารักษาทิศทั้ง6ของเขาได้ในอย่างสมควรการที่เรารวมเป็นชาติขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะมีรัฐบาลหรือว่าผู้นําสักคนใดคนหนึ่งที่เขาช่วยกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้รักษาทิศทั้ง6กของตัวเองได้ัน้นเรื่องการหาทรัพย์เรื่องการใช้ใจ่ายทรัพย์เรื่องดูแลครอบครัวต่างๆใช่ไหมซึ่ ง, ซ, งซึ่งอันนี้เราพูดมาในตอนก่อนหน้านี้เพราะงั้นการใช้การใช้ทรัพย์บูชาราชปรีเนี่ย เขาได้บอสละเพื่อชาติเนี่ยนะคือหมายถึงการที่ช่วยให้คนอื่นเนี่ยรักษาที่ทั้งหของเขาได้<ม>ในกรณีนี้อาจจะพูดถึงการบริจาคเงินเข้าองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นการช่วยเหลือสังคมโดยรวมอันนี้คุณก็ควรท<ำ>ําการเป็นราชปลีได้เหมือนกันเนาะครับแล้วคนที่ไม่มีศีลเป็นต้นหรือว่าคนที่เขาไม่มีเป้าหมายในชีวิตยังไม่รู้เรื่องอิโนอินเน่อย่างเงี้ยเราก็ควรช่วยเหลือเขาเหมือนกันควรสละจ่ายทรัพย์ในในหน้าที่นี้อย่างเงี้ยนะ เช่นการเผยแผ่ธรรมะอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเผยแผ่ธรรมะจะเป็นราชพลีอราชพลีใช่เป็นราชพลีครับอ่ถ้าเราให้กับคนที่เขาไม่มีศีลใช่ไหมก็จะเป็นเปตาพลีอครับนี่คือความหมายเบื้องลึกนะสําหรับผู้ที่เอต้องการจะเข้าใจความหมายลึกๆไปอืครับดีครับรอคพลีอีกประการหนึ่งของ ที่เมื่อสัปดาห์ที่เราพูดถึงเรื่องการเอาชนะความชั่วด้วยความดีใช่ไหมใช่ครับที่เราพูดถึงว่าเอาน้ําตีไล่น้ําเสียเราต้องเอาน้ําสะอาดมาล้างคราบที่ส ก, กรปรกส ก, กรปรกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอาตมาได้พูดถึงประเด็นนี้ที่พูดถึงว่าเอาชนะความดีด้วยความดีนะคือคหมายความว่าเราทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคือไม่ได้ต้องการเอาชนะกนนันแต่เพื่อเป็นความที่ไม่รู้จังอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จะหมาอย่างตอนที่พระเจ้าจะบรรลุธรรมเนี่ยโปร่งได้บอกว่าโปร่งเนี่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเออเพราะฉะนั้นคือมันเหมือนกับการแข่งกันทําความดีในยิ่งจะดีขึ้นแข่งกันทําความดีในที่นี้คือไม่ได้ต้องการจะเอาชนะเธอฉันต้องดีกว่าเธอฉันต้องฉันต้องยกตนข่มเธอไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะไม่ยกตนข่มคนอื่นแต่เราจะเป็นผู้ที่ให้มีกุศลธรรมมากขึ้นและมากขึ้นพระรู้เจ้าจะใช้คําว่า กิจที่เธอจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกยังมีอยู่จะใช้คํานี้กิจที่พวกเธอจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอยู่นั่นะคือการทําให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะอาสมะตรงไหนยังล่างยังเช็ดไม่ได้ทํามันนะตรงสมาธิขั้นไหนยังไม่รู้ไม่ลึกซึ้งเอาทําเข้าไปอย่างนี้ครับให้เอาดีให้มากขึ้นเอาดีให้ถึงที่สุดครับตรงนี้จึงทําให้มีประเด็นที่อาจิคนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปรารบความเพียรแต่พอดี เอาทำไมให้ยิ่งทำมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะไปพอดียังไงอะนะซึ่งต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไอเรื่องของความเพียรเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยยิ่งมากยิ่งดีใช่ครับความเพียรเนี่ยยิ่งมากยิ่งดีแต่การปรารบคือการเอามาใช้เนี่ยต้องพอดีอคือความเพียรเนี่ยพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับอกองกําลังกองพล มีกองทัพกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถพลเดินเท้ากองเสนาธิการกองจัดทงประจํากองกองยุทธการไฟกองธาตุกองที่ไปบุกจู่โจมอะไรต่างๆโอ้มีกองพลเพียบเลยสมัยนี้เขาจะมีฐานม้าใช่ไหมฐานยันเกราะหน่วยรถพิเศษทหารราบเอออะไรต่างพวกนี้สสื่อารกองพลาธิการอะไรต่างมีหมดหมดยิ่งมากยิ่งดีคือกองกําลังยิ่งมากยิ่งดีแน่แต่เวลาออกรบเนี่ย มันจะต้องแบ่งไงแบ่งว่าเออตอนนี้นะชุดแรกไปชุดสองอะไรต่างถ้าเฮโลเปหมดทีเดียวเนี่ยผมว่าพลาดได้นะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการปรารบแต่ความเพียรเนี่ยต้องพอดีอแต่แต่ความเพียรเรามีมากยิ่งดีครับอ่ามันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเคยพูดว่าไม่รู้จากอิ่มจากพอน ะ, อะแล้วก็ปรารบความเพียรใต้ต้นไม้โพตรงนั้นเนี่ยปรารบอย่างพอดีครับแต่เป็นผู้ที่มีความเพียรอยู่อย่าง ไม่ย่อหย่อนเลยออย่างนี้นะแล้วก็จะทําให้เป็นผู้ที่สามารถจะจัดสรรคือความเพียรเนี่ยถ้ามากเกินไปเนี่ยอถ้าเราปรารับความเพียรจัดเกินไปเนี่ยจิตเราจะฟุ้งซ่านจะไปคิดนั่นทํานี่นะมันก็จะอยู่ไม่เป็นสุขไม่สงบใช่แล้วถ้าน้อยเกินไปก็จะเกียดคร้านเกียรคร้านเหมือนอย่างบางทีกองกําลังที่ยกมากเกินไปเนี่ย แล้วไปรบมากเกินไปเนี่ยมันเปลืองแล้วบางทีอาจจะขัดขากันเองนะอาจจะไม่รู้จังหวะตีกันเองก็มีถ้าน้อยเกินไปก็จะแพ้ใมเพราะนั้นต้องยกกำลังไปพอดีพอดีนับกูบ้ต่อสู้อย่างนี้เป็นต้นครับนี่หมายถึงความเปลี่ยนก็ให้เป ร, รบแต่พอดีพอดีใช่ใช่เป็นการวิริยะใช่ไหมครับท่านในข้อสองของอิทธิบาทสี่ตัว ความเพียรวิริยะความเพียรวิริยะแล้วก็หมายถึงสมาวายมะด้วยสมาวายมะวิริยะพวกนี้ก็มาด้วยกันในเรื่องของประเด็นถัดไปที่ต้องการจะพูดวันนี้คือเรื่องของวิธีการวัดความก้าวหน้าของจิตของเรารที่ส่วนใหญ่จะทราบกันในเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศใช่ไหมที่วัดความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์และยังมีอีกอ บางวิธีที่ควรจะทราบเพิ่มเติมไปด้วยอย่างบางคนที่เป็นผู้ปฏิบัติมาได้พอสมควรแล้วนะฉันก็ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเอ๊ยแต่ฉันปฏิบัติไปถึงไหนฉันยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยนะจะต้องมาคอยกระทบอารมณ์หรออะไรต่างๆซึ่งก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ว่ า, ามันวัดได้สาวิธีในะวิธีแรกเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ปกติเนี่ยนะเราเป็นผู้มีสมาธิไหมมีสมาธิอยู่เรื่อยๆ มีจิตไม่แสบสายหมุนใบผิดเป็นเอกค้าตานะแล้วก็ไม่มีนิวรณ์ น, น, นี่คือวาวอยู่ปกติถ้าเราจิตเป็นอย่างนี้โอเคนี่วิธีที่1วิธีที่2คือวัดที่ความแรงในะความแรงหมายความว่าเวลาสิ่งใดมากระทบเนี่ยวิธี <c oughs> ที่2ที่3เนี่ยเป็นการวัดจากการที่ถูกมากระทบในะสิ่งมากระทบแล้วคุณจิตมากหรือเปล่านะถ้าจิตมากเช่นมีความกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดืองแสดงความกดธความขัดเ ค, คืองความไม่พอใจให้ปรากฏ หรือถ้าบอกว่าถ้าไม่้คลั่งโกรนทุบบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลังเพออันนี้ไม่ดี mm hmm. ถ้าไม่ถึงระดับนั้นอาจจะฮึ่มฮึ่มอยู่บ้างก็ยังดีกว่าจี๊ดถึงขนาด2ระดับที่พู้ถึงใช่ไหมนี่คือความ mm hmm. แรงของการที่ถูกกระทบ mm hmm. แ, ละแล้วอย่างที่3ก็อย่างที่เราทราบกันคือวัดที่ความเร็วในการวางอารมณ์นั้นอย่างสมมุติมีคนมาด่ามรตุพงเงี้ยปกติมรตุพงก็อาจจะอยู่ในสมาธิอย่างดีสบายใจพอมีคนมาด่าปุ๊บ เฮ้ยเราไม่จีดมากเราจะจีดมากถ้าจีดมากเซลไม่ไม่ดีละแต่ถ้าจีดไม่มากจีดนิดหน่อยก็โอเคยังดีกว่าจีดมากใช่ไหมแล้วไอ้ที่จีดแต่อย่หน่อยฮึ่มเนี่ยคุณปล่อยได้เร็วขนาดไหนอ่าถ้ายังถือไว้นานก็ยังไม่ดีถืออปล่อยได้เร็วขึ้นก็ดีมากขึ้นครับแต่บางทีบางคนอาจจะโกรธยังเป็นวันอยู่แต่ความโกรธนั้นไม่ได้มากเท่าเดิมยังน้อยกว่าเดิมอันนี้ก็ถือว่าคุณก้าวหน้าขึ้นครับอันนี้คือเวลาที่ถูกกระทบนะ สมมุติว่าแบบเราเราเร า, เราจี้แต่ว่าเราก็ปล่อยวางสมมติในค่ำวันวันรุ่งขึ้นเราเราปล่อยวางได้ละแต่ว่ากับคนที่มาว่าเราเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราไม่อยากไปคุยกับเขาเนี่ยเราไม่ได้โกรธแต่เราไม่อยากคุยอันนี้ไม่ทราบเป็นความเขาเรียกอะไรครับท่านกาเรียก อ, เ, อเสวานาจะพาละนังเป็นมงคลอย่างยิ่งคือการคุยกับคนบานเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเพะ่อน<ม>ั้นคนนี้มันเป็นคนบาเราก็อย่าไปยุ่งกับมันก็ถูกแล้ว แล้วการกที่เรารู้สึกเกลียดเขาเนี่ยคือเกลียดเขาเนี่ยไม่ใช่เกลียดตัวเขานะแต่เกลียดความไม่ดีเกลียดอกุศลธรรมในที่นี้หมายถึงงี่หรืออัตปะเรามีความกลัวความละอายต่อ บ, บาปนะบาปในที่ น, นี้คือนิสัยที่ไม่ดีของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่รเขาเปลี่ยนนิสัยเขาเป็นคนดีขึ้นมาเราก็กบได้<ม>อระพมทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่รู้สึกเกลียดจังขยะกขยงต่อไอ้สิ่งพวกที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายครับแต่เมื่อใครทําไม่ดีเราก็ไม่ชอบอ่ะเราไม่อยากไปยุ่งครับเกลียดได้ครับ แต่ไม่ได้เกลียดตัวเขานะ<ม>เกลียดนิสัยที่ไม่ดีเกลียดอู่งกุศละธรรมที่อยู่ในจิตของเขาอให้แยกออกมา ใ, ให้มองมองลึกลงไปครับอเป็นที่ตัวเพราะฉะนั<ม>้น<ม>นี่เป็นวิธีการที่เราจะสอนลูกเหมือนกันครับนะว่าลูกเราเนี่ยเราก็ต้องรักแต่ว่าเวลาที่เขาทําไม่ดีอะไรต่างเราต้องรู้จักขนาดนิสัยที่ไม่ดีของเขาครับทีนีถ้ถ้าเป็นสิ่งที่เราบอกสอนได้เป็นหน้าที่ของเราเราก็ควรทํา แต่ถ้าบุคคลนั้นบอกสอนไม่ได้ไม่ใช่หนะ้าที่ของเราเราก็อหลีกเลี่ยงที่จะไปคุยกับเขาซะกา ร, ไ ม, รไม่คุยกับคนภานเป็นมงคลครับแบบ น, นีก่อนชัดเจนนะครับแหมเกณฑการวัดนี่ปกติผมก็ทราบข้อเดียวเหมือนกันก็คือความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์อืนี่ก็ทราบมากขึ้ น, นก็จะ ค, ค, คือสรุปว่ามีสามอย่างอะนะใช่ครับอคือตัวที่อยู่กลางๆคือตอนที่ไม่ถูกอะไรกระทบเนี่ยคุณทรงจิตอยู่ได้ระดับที่เป็นสมาธิไหย ลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนนี่ก็จะบอกได้ระดับหนึ่งหรืออย่างที่สองนะสกับสามเนี่ยเวลามีอะไรมากระทบน่ะกระทบแล้วคุณเวี่ยงมากไหมนแล้วเวี่ยงช้าหรือเวี่ยงเร็วลักษณะนี้เวี่ยงแล้วกลับมาช้าหรือกลับมาเร็วนะตรงนี้คือเราวัดได้3อย่างตรงนี้ตัวข้อสองที่บอกว่าตัวผมหมาถึงว่าผัสสะที่มากระทบเนี่ย ทั้งทางดีและไม่ดีใช่ไหมครับใช่ชใช่เพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่าทางไม่ดีคนด่าเราเรากระทบมากใครไหนแต่ว่ามองในมุมอีกมุมของดีด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก็จะถ้าสมมุติมีใครมาชื่นชมเราอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นผู้ที่มีความตื่นเต้นแห่งจิตกำหนัดยินดีพวพันโมเมาลก็ไม่ดีคือเรียกว่าเหวี่ยงแรงเหมือนกันก็ต้อง ปล่อยวางให้เร็วเหมือนกันใช่บางคนอาจจะเวียงแรงนะั่นแต่ว่ากลับมาไวครับแต่บางคนอาจจะเวียงไม่แรงแต่กลับมาช้าก็มีได้ทั้งนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางคนเกาะนานซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของอินทรีย์ของเขาจะไม่เท่ากันครับอครับอย่างพวกที่เวียงไปแรงอย่างเงี้ยแต่กลับมาเร็วอย่างเงี้ย อันนี้จะเป็นพวกที่มีปัญญามากแต่สมาธิน้อยอันนี้ความเห็นธรรมานะครับแต่พวกที่เวี่ยงไปเบานั้นแต่กลับมาช้าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกที่มีปัญญาน้อยแต่สมาธิมากอือันนี้ความเห็นธรรมานะครับครับอือนี่จ้ะครับมีมีมีส่วนเยอะเลยครับเออครับอย่างนี้คนคนที่มีทั้งอเรียกว่ามีทั้งสมาธิและปัญญานี่ก็เรียกว่าแหมเหมือนเจริญทั้ง ตรงนี้พระเจ้าจะใช้คําว่าอธิปัญญาธรรมวิปัสนานั่นคือในส่วนของปัญญาแล้วก็เจโตสมาธิในภายในและสองส่วนเนี้ยพระเจ้าเคยบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นผู้ในฉลาดฉลาดในวรรษิของตัวเองนะว่าคุณจะต้องให้สมดุลกัน<อ>ออคือสมดุลกั น, กนอย่างสมมติบางคนเนี่ยอย่างอาตมาสมัยก่อนนะโอ้เราหนึ่งวินาทีเนี่ยเราคิดสามเรื่องหรือห้าเรื่องด้วยซ้ำโอ้รเราคิดไปตลอดเลยเดี๋ยวต้องทําอะไรทงนี้ โอ้เขามันไปเรื่อยเลยคือตอนนั้นอรรมานั่งสมาธิอยู่กับพระอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อก็บอกอ่ะท่านใบบูนนะให้ทําจิตให้สงบนะให้ทำจิตให้นิ่งส่วนพระอีกองค์หนึ่งท่านบอกว่าอ้าวพระองค์นี้นะให้ท่านพิจารณาถึงสังขารไม่เที่ยงนะเราก็งงเลยอ้าวทาไมสององค์นั่งอยู่ใกล้กันองค์หนึ่งให้ทําแบบหนึ่งองค์หนึ่งให้ทําอีแบบหนึ่งแต่หลวงพ่อว่าให้เรานิ่งนะเราจะไปคิดเรื่องพวกนี้นะเพราะฉะนั้นทําให้เราเห็นว่าอ๋อ คาแรคเตอร์ของแต่ละองค์เนี่ยไม่เหมือนกันคนแต่ละคนที่ภาวนาเนี่ยลักษณะอุปนิสัยของเขาไม่เหมือนกันอย่างพระรูปนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่นิ่งๆอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยพูดอะไรไม่สูงสิงกระใครนิ่งๆคูลๆเดินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นคือท่านมีจิตเป็นสมาธิอยู่เรื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือท่านเนี่ยมีสมถะมีเจโตสมถะในภายในมากอยู่แล้วแต่มีการพิจารณาน้อย มันหลวงพ่อเนี่ยจึงบอกให้เขาไปพิจารณานะซึ่งพูดตรงกันกันกบพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอมีเจโตสมถะในภายหนมากนะคือจิตสงบอยู่เรื่อยๆเป็นบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยให้เธออยู่ตรงนั้นแล้วน้อมจิตไปเพื่อการทําให้มากนะซึ่งอธิปัญญาธรรมวิปัสนาส่วนคนที่คิดมากอยู่แล้วพิจารณานั่นนี่เห็นนั่นเห็นนี่ น, นต่างตางนาแสดงว่ามีปัญญามากอธิอธิปญธาธรรมวิปัสนา แต่ว่ามีเจโตสมาธิในภายในน้อยแล้วก็ให้ตั้งตัวอยู่ในเจโตสมาธิที่ปัญญาธรรมวิปัสนาแล้วเจริญให้มากซึ่งเจโตสมาธิในภายในอตรงนี้รนี่เป็นเรื่องสําคัญบางคนยังไม่รู้เลยตัวเองมีอะไรมากหรืออะไรน้อยคือสําหรับคนที่ไม่มีทั้งสองอย่างเลยนะพระเจ้าให้รีบทําให้มันเกิดขึ้นทั้งสองอย่างรีบทําแบบว่าคนไฟไม่หัวไฟไม่ผมใช่ครับ แต่ถ้าเรามีสักอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วนะให้เธอตั้งตนอยู่ในตรงนั้นแล้วทําอย่างอีกอย่างหนึ่งให้มันขึ้นมาอ๋อทําอย่างหนึ่งให้เจริญขึ้นมาใช่ซึ่งพระพุาบอกอันเนี้ยเธอต้องรู้ว่าละจิตตัวเองนะเหมือนกับเวลาเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะถ้าใครเป็นคนที่มีสิวอ่นนะสาวไอกรุ่นเนี่ยก็จะนิยมบีบหัวสิวกันอืมใช่เป็นไหมเออเขาเขาจะไปพอเป็นสิวปุ๊บโอ้ยไม่ไม่พอใจเลยมองส่องกระจกแล้วก็บีบออกมาอย่างเงี้ย พอดูหน้าตัวเองไม่มีตอมไม่มีสิวแล้วก็รู้สึกสบายใจนะเช่นเดียวกันคนที่ภาวนาเนี่ยคุณจะต้องรู้จิตของคุณเหมือนกับใบรุ่นเขาส่องกระจกหน้าตัวเองนะรู้รทุกตารางมิลลิเมตรเลยะว่าตรงนี้ฉันมีขนตรงนี้ฉันมีสิวตรงนี้ฉันมีตอมแล้วนะบางคนที่ก็พกกระจกติดตัวไปได้วยซ้ำนะส่องอยู่นั่นนะ่ะส่องแล้วก็ส่องอีกวันหนึ่งส่องส5รอบหน้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะก็ลักษณะนี้คือเราต้องส่องดูกระจก ส่องดูจิตของตัวเราเองครับซึ่งจริงๆตรงนี้พรพุทธามีเซตของคำถามที่ให้ไปถามด้วยอย่างกรณีอของคนที่เขามีสมถะอยู่ในภายในแล้วเนี่ยแล้วเขายังไม่มีเจโตไม่มีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาใช่ไหมใชม่ครับพระพุทธาบอกว่าให้คุณอยู่ในเจโตสมถะในภายในนะแล้วไปหาบุคคลที่เขามีอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา คือหาใครก็ได้ที่เขามีการพิจารณามีการพิจารณาสังขารอยู่ไปบ่อยแล้วเนี่ยให้ไปถามคําถามนี้กับเขาว่าสังขารควรพิจารณาอย่างไรในควรเห็นตามที่เป็นจริงอย่างไรในลักษณะนี้เขาตอบอย่างไรคุณทำอย่างนั้นอ่าครับส่วนคนที่มีอธิปญญาธรรมวิปัสสนาอยู่แล้วนําจะหคว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะพิจารณาได้ละ เดี๋ยวก็พิจารณาเห็นนั่นนี่ชอบอ่านหนังสือชอบคน้นคว้ายิ่งพวกจำพุทธวจนะได้เนี่ยปัญญามากเหลือเกินแต่สมถะไม่มีใช่ไหมคุณทำยังไงครับคุณก็ต้องไปหาคนที่มีเจโตสมถะในภายในแล้วถามก็ว่าจิตเนี่ยควรจะดำรงไว้อย่างไรนั้นจิตควรจะทำให้เห็นแจ้งเนี่ยได้อย่างไรใ น, นลักษณะของคาถามที่เกี่ยวข้องกับสมาธิ ต, ตรงนี้ครับ พระพุทธเจ้ามีสอนละเอียดเลยนะครับใช่แล้วพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกันเป็นค่อยๆปรับไงค่อยๆปรับระหว่างสมถะ ก, กับวิปัสสนาครับซึ่งตรงนี้คนที่จะบรรลุเป็นพระอารันได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงต้องมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันจะมาสอดคล้องกันตรงนี้เจโตวิมุตต์คือเรื่องของสมาธิปัญญาวิวมุตต์คือเรื่องของการเห็นตามที่เป็นจริงถ้ามาทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันหาอัสวกไม่ได้เข้าถึงแล้วในทิฏฐธรรมนี้แล้วอย่างนี้เลยครับ<ม>เพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยต้องสมดุลกันเป๊ะๆในลักษณะที่เหมือนกับเข็มกระได้เนี่ยเวลามันจะร้อยกันใช่อหมอเรารหยิบเข็มไว้มือซ้ายอย่างเงี้ยมือต้องนิ่ง ร, ร้อยได้มือต้องเคลื่อนเข้าไปอมันถึงจะได้สมดุลกันถ้าเคลื่อนทั้งสองอย่างก็ไม่ได้นิ่งทั้งสองอย่างก็ไม่ได้นะถ้านิ่งเกินไปจนมือเกร็งมือมันก็สั่นร้อยเชือกไปก็ไม่ได้ นหรือก็ทิมๆเข้าไปโดยที่ไม่ดูเลยมันก็ไม่ได้อีกไม่ได้อีกมันเามันต้องพอดีพอดีเลยล่ะครับอซึ่งพอดีความพอดีตรงเนี้ยผู้รู้ชาติเคยเปรียบเทียบกับพระอานนุ์ว่ามันยากยิ่งกว่าเอาขนทรายมาพ่าวออกเจ็ดแล่งเสียบเข้าไปในขนทรายที่พาวออกอีกเจ็ดแล้งโอ้โหคือหมายว่าเอาเออเอาเนื้อทรายมาใช่ไหมเ้อทรายมาเอาขนมันมาเส้นหนึ่งเอาขนมันมาสองเส้นเส้นหนึ่งพาวออกเจ็ดส่วนอีกเส้นหนึ่งก็พาวออกเจ็ดส่วนแล้วหยิบหนึ่งในส่วน เนะเออกมาเสียบแทงกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันละเอียดมากจริงครับเพราะมันต้องพอดีพอดีเลยล่ะในการที่จะจะทําให้อสวะมันเกิดขึ้นไม่ได้รตรงนี้ซึ่งนั้นก็คือการที่เป็นเจโตสมรรคในภายในกับอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาทีนี้รตรงนี้ต้องการจะขยายความเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นความเป็นวัชอาหารเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมคือคอุกโตภาควิมุติ กับปัญญาวิมุตต์ oh. อ๋ออุกโตโตภาควิมุตต์เนี่ยคือการที่สําเร็จโดยสองส่วนคือส่วนสมถะกับปัญญาปัญญาวิมุตต์เนี่ยคือสําเร็จโดยปัญญาใช่ไหมคือปัญญาวิมุตต์ทาให้บางคนเนี่ยเข้าไปเข้าใจว่าโอการบรรลุอรหันต์เนี่ยแบบหนึ่งคือเจโตวิมุตต์อีกแบบหนึ่งคือปัญญาวิมุตต์ไม่ใช่มาแล้วทุกคนเข้าใจไหม คือทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นอุคโตภาควิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์เนี่ยคุณต้องมีเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ที่ทําให้ถึงอสวะรค์สิ้นไปในปัจจุบันคือคือทั้งสองประเภทนะคือถ้าถ้าเราเราออกมาเปรียบเทียบกันให้ถูกคําที่ต้องใช้เนี่ยคืออุคโตภาควิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์นี่คือบุคคลที่จะเป็นพระอรันมี2แบบนี้เท่านั้นทั้ง2แบบต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อุคโตภาควิมุตติก็ต้องมีเจโตวิมุตติปัญญาว ปัญญามิมุตต์ก็ต้องมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ออคตญญระะญญับประเภทปัญญาวิมุตต์เนี่ยต้องมีสองอย่างคือเจโตวิมุตต์และปัญญามิมุตต์เพราะฉะนั้นปัญญามิมุตต์ที่เราจะมาพูดครั้งหลังเนี่ยกับประเภทปัญญามิมุตต์จะไม่เหมือนกันนะอ๋อไม่เหมือนครับคือคือคนที่เป็นประเภทเป็นพระอรหันประเภทปัญญาวิมุตต์เนี่ยคุณก็ต้องมีเจโตวิมุตต์แล้วคุณก็ต้องมีปัญญาวิมุตต์ครับคือคือองค์ประกอบญจะมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยต้องพอดีกัน แ, แต่นี้มันมันต่างกันยังไงฟังให้ฟังให้ดีครั้งหนึ่งพระอรหันประเภทปัญญาวิมุตต์คุณต้องมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติใช่ไหมพระอรหันประเภทอุคโตภาวิมุตต์คุณก็ต้องมีเจโตวิมุตต์มีปัญญาวิมุตต์ทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ของอุคโตภาคทั้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ของพวกปัญญาก็จะต้องมีสัดส่วนที่พอดีกันพระพุทธเจ้าบอกว่าทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต mhm ิปัญญาวิมุตต์อัน นะทีนี้แล้วมันต่างกันยังไงพวกอุกโตบ้าวิมุตต์เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกเอาไว้นะว่ า, าเป็นผู้ที่เจริญสมาธิแล้วก็จิตน้อมไปในการพิจารณาคือคุณต้องมีความสุขที่เกิดจากวิโมกข์ก่อนแล้วคุณ<ม>ก็ใช้สมาธิเนี่ยไปพิจารณาคือสมาธิอยู่แล้วตัวเองก็น้อมจิตไปพิจารณาแล้วในระหว่างที่น้อมจิตไปพิจารณาเนี่ยหลุดตรงนั้นนั่นคือสลัดคืนได้ตรงนั้นกลืนไปป้านานเลย ใช่ไหมคือจะมีทั้ง2ส่วนสมาธิก่อนสมาธิก่อนแล้วคุณน้อมไปเพื่อพิจารณาคุณหลุดตรงนั้นครับนะก็คือจะมีทั้งสองส่วนส่วนจะเป็นสมาธิและปัญญาคือทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติการที่จะหลุดตรงนี้ได้เนี่ยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติต้องเสมอกันแต่เขากระโดดมาจากส่วนที่เป็นสมาธิสมาธิแล้วไปปัญญาใช่ไหมส่วนพระอรหันประเภทปัญญาวิมุตติเนี่ยคุณจะต้องเห็นการเกิดดับอยู่เรื่อยๆ แล้วสมาธิเกิดขึ้นจากตรงนั้นก็นใช่ไหมเหมือนกับจิตเรานิ่งอยู่จิตเราเคลื่อนไหวอยู่พิจารณาอยู่แล้วกลับมานิ่งนั้นหลุดตรงนั้นครับถ้าจะพูดให้ถูกอาจาจะพูดให้เข้าใจาง่า ย, ายๆนิดนึงก็คือว่าอย่างคนที่นิ่งอยู่แล้วเคลื่อนออกไปพิจารณาตรงนี้คือพวกกุคโตปาวิมุตคนที่เคลื่อนอยู่แล้วกลับมานิ่งตรงนี้คือปัญญาวิมุตครั บ, รบตรงที่จะหลุดได้ตรงนั้นเนี่ยต้องมีทั้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตพอดีพอดีกัน ก็จะเป็นบ้าหลานคนละประเภท<ร>ซึ่งก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความที่เขาจะมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์นะอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันครับคนละประเด็นเลยฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์เนี่ยมันก็อยู่ที่ระดับของสมาธิที่แต่ละบุคคล น, นั้นมีแต่บุคคลที่เป็นอุกตาวาสพวิมุตติเนี่ยจะมีความสุขที่เกิดจากวิโมกคือความสุขที่เกิดจากสมาธิที่กันลึกซึ่งไปเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้จริงๆแล้วพูดไปก็อาจจะทําให้หลายท่านเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้หรอกเพียงแต่ว่า เราก็ทำพอที่จะเข้าใจเท่าที่เข้าใจได้นะแล้วก็ค่อยปฏิบัติศึกษาให้มากขึ้นไปครืคอคือใครสงสัยก็ถามมาได้ใน ใ, ในรายการนะครับที่เพียวธรรมะ .com ครับใช่ครับครับแล้วมีการแบ่งแยกพระอรหันเนี่ยมีอีกอีกนัยยะหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่ามีามปฏิสัมพิทาสี่หรือว่าวิชาหกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องวิชา6หรือปฏิสัมพิทา4ี่พวกนี้เป็นเป็นพุทธประจาเหมือนกันใช่ทีนี้พระอาหารหันต์ที่เป็นประเภทได้วิชาสามวิชา8ปดอะไรพวกนี้ก็พุทธเจ้าก็เคยพูดเอาไว้ว่าภิกษุกลุ่มหนึ่งนะบนรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็สําเร็จมีวิชาสามด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้เป็นก็เรียกว่าปฏิสัมพิทา4ี่อะไรพวกนี้ก็เคยมีอยู่แต่ว่ากา ร, ร บ, บรรลุอาหารหันต์เนี่ย มันจะไม่ได้ฟันธงว่าทุกคนต้องมีอะไรพวกนี้นะอ๋อครับ อ, อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จริงๆพัฒนามาภายหลังได้ครับ อ, อ ม, มันก็อยู่ที่ระดับของสมาธิที่เกิดขึ้นที่ก็มี ค, ความชำนาญในสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งคือการที่เราเจริญสมาถวาิปัสนาเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเดชก็คือตรงนี้นั่นเองคี่ ว, ว่าในเปิดทมที่ตกปิดพัคออนไลน์ในคราวนี้ ก็จะได้พูดถึงเรื่องของอิธิบาติี่นะ ท, ทีมในเรื่ออิธิบาทสีในการที่เราจะต้องสู้กับความชั่วนะเราก็ยืนหยัดในการทำความดีะนะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความมั่นใจซะมีความสบายใจซะถึงแม้คนอื่นก็จะทำชั่วทำความผิดไม่เป็นไรช่างหัวมันนะฉันจะทำความดีะนะให้มีความมั่นใจในการต่อสู้ตรงนี้ชื่อว่าเรามีอธิบาทสีล่ละเรามีบัตรฐานงความสาเร็จทันที ต, ตรงตรงนี้พูดถึงว่าในกระแสของสังคมโลกเนี่ยมีเหมือ น, นจะเกิดมิจฉาทิฏฐิครับท่านอย่างที่บางคนบอกว่าโอ้พวกคนรวยๆหรือพวกนักการเมืองเนี่ยบางคนแบบโหเรารู้ประวัติมาว่านี่แบบทำดีมาใด้ทำทาชั่วมาสารพัดเลยแต่ทำไมตอนนี้แบบได้ดีได้ดีมีตำแหน่งมีเงินทองเนี่ยคนคนในสังคมจะรู้สึกอย่างนี้กันเยอะครับ แต่เพาคนที่ทําดีซื่อสัตย์ข้าราชการเอ๊ะทาไมจนจนหรือว่าไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยทาให้เหมือนกับเราเราต้องพยายามปลุกปลุกกระแสแห่งความดีเพื่อที่จะสวนกระแสะโลกนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละหมอธนพงศ์ ค, คือหมายความว่าใครจะทําชั่วเนี่ยก็ช่างหัวมันนะถึงต้องมีรายการธรรมะแบบนี้นะที่เราต้องมายืนยันนั่งยันนอนยันกันว่าเฮ้ยคุณต้องทําความดีนะพระเจ้าพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่าคนชั่วเนี่ยเขาจะมีความประมาท ตราบใดที่กรรมชั่วนั้นยังไม่ให้ผลนะเขาจะมีความประมาทมีความที่ไม่ร้อนใจมีความเขาเรียกว่าอเฉยเมยมีความประมาทมีความไม่เห็นผิดมีความไม่เห็นถูกต้องเนี่ยก็เพราะว่าบาปกรรมที่เขาทํานั้นยังไม่ให้ผลอืเขาก็จะสบายใจเรื่องของเขาแต่เราเองนะถึงแม้เขาจะทําชั่วขนาดไหนก็ตามนะแล้วเรารไม่เห็นจะได้ดีอะไรของเราเลยนะให้เธอมั่นใจว่าเราจะต้องอ เป็นผู้ที่ไม่ร้อนใจในภายหลังนะเมื่อกรรมชั่วให้ผลเราจะไม่ร้อนใจเมื่อกรรมดีให้ผลเราก็จะไม่ร้อนใจต่อให้สมมุติว่าชาติหน้าไม่มีจริงสมมติชาติหน้าไม่มีจริงการที่เราทําความดีตรงเนี้เราก็สบายใจนะเราก็จะไม่มีใครมามาด่าว่าว่าเราได้มาโจดเราได้ว่าเฮ้ยเธอเป็นคนทําไปชั่วนะคนชั่วตั้งหากอะหมอนจ้าพที่ขณะว่าคุณสวยสุขอย่างดีสวยสุขในที่นี่หมายถึงว่ามีรถ อ่ารูๆบ้านใหญ่ๆโตครับนะั่นแต่พระเจ้าเคยพูดไปชัดเจนต่อให้คุณนอนเตียงนุ่มๆเลยนะมีเตียงหลังหนึ่งมาแล้วทุกคนเขาชื่อเตียงที่ท Euro, ates, ําในยุโรป h ฮ s t ั n b บดนะเป็นเตียงยอ่อ h ฮ s t ั n ที่ทําจากแขนแผงคอมา้าเตียงนี่นะซื้อรถเบนซ์ได้คันหนึ่งเลยนะเตียงมันเนี่ยเป็นล้านนะเป็นล้านเลยครับ <ละ S 2> อ่ารับประกันร้อยปี<อ><อ>ก็ไม่รู้มันจะยังไงกันมันกันนะ<อ> <c oughs> ต่อให้คุณนอนเตียงนั้นนั่นะแต่ถ้าคุณทําชั่วเนี่ย เนตอนงคืนก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยความที่ว่ากลัวว่าจะมีใครมาจับได้พลิกซ้ายพลิกขวามไม่สบายใจนะสมมตินอนกับกิ๊กอยู่ใช่ไหมก็อาจจะกลัวว่าเมีย จ, จะจับได้คนโทรมาด่าอะไรต่างๆ<อ>นะมันก็จะมีความไม่สบายใจต่อให้คุณนอนเตียงนุ่มขนาดไหนก็ตามปัญหาพวกนี้คุณเคยคิดไหมเพราะนั้นจึงต้องมายืนยันนั่งยันนอนยันกันอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันมีความดีนะมันมีความชั่วน ะ, ะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะอาตมาจะไม่สามารถที่จะมายืนยันอย่างนี้ได้ อ่าเพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานนล้วจึงต้องยืนยันว่าไอ้คนชั่วสบายใจได้เลยมันต้องรับผลกรรมชั่วแต่เราอย่าไปเยะยมันหรอกนะรเราทำความดีก็พอนะรเราก็ให้สบายใจได้ว่าทุกวันเนี้ยมันเป็นสมัยที่กําลังเข้าสู่สัตรธนตระกระมัดมาแล้วพงอืมใช่ครับอ่าแล้ถ้ามีความชั่วเกิดขึ้นสบายใจได้เลยมันเป็นแน่นอนอืมแต่เราทํายังไงเราทําความดีครั บ, นะรบดูอย่างสมัยก่อนนี้สายเดี่ยวเขาไม่มีนะ สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้สายเดี่ยวสายเดียวไม่ใช่เฉพาะแนวตั้งนะแนวนอนก็สายเดียวนะว่างงมากเลยใเป็นส่วนส่วนใหญ่แล้วก็มินิสเกิร์ตสมัยก่อนนุ่นๆไม่มีนะเดี๋ยวนี้มาเป็นมินิสเกิร์ตแล้วนี้มันเป็นอะไรสเกิร์ตไม่รู้มันเกือบจะแทบจะเหมือนกับผ้ามันแพงมากเงี่ยนะทุกวันน้อยชิ้นเหลือเกินน้อยชิ้นยังไม่พอชิ้นน็อกก็ยังเล็กน้อยเข้าไปอีกด้วยอืมครับ เพราะฉะนั้นรเราก็ให้ทราบให้มันมีนความมั่นใจว่ายัางไงเราก็ประพฤติสิ่งที่เป็นกุศลธรรมถ้าเธอประพฤติสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนั่นแหละจิตของเธอเป็นจิตที่มีอิทธิบาทสีแล้วเป็นจิตที่เป็นคนที่เรียกว่าไม่เป็นคนหลวงโลกเป็นคนที่เต็มและเป็นคนที่มีกุศลธรรมเป็นคนที่มีสีสันในชีวิตด้วยการเจริญอิทธิบาทสี่อย่างนี้อย่าไปหลงสีสันแบบแมงเม่าช่างหัวไม้แมงเม่าในเป็นพวกนอนก็ให้นอนเขาเป็นไปอืมครับ ที่เราเคยพูดมาตอนย <ไป S 2> ี่สิบกว่าครับที่เล่นนอนนะครับมูดคูดใช <c oughs> ่ครับเพราะฉะนั้นเราคร่าให้มีความมั่นใจในเรื่องความดีอย่างนี้นามวรรองนะครับครับก็อย่างหัวข้อของอิทธิบาทสีที่บอกว่าเป็นสีสันในชีวิตเนี่ยโอ้โหมันฉีกฉีกความรู้สึกมากเลยนะครับว่าคนทั่วไปมองว่าคนธรรมะเนี่ยจืดชืดชีวิตแบบสั้นกระตายอย่างนี้นะครับใช่หารู้ไม่ว่าคนที่ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบเนี่ย คุณเป็นทาตไงพระเจ้าเคยพูดถึงคนที่เป็นทาตเนี่ยคือคนที่ฟุ้งซ่านนีมีตามากระรบก็ไหลไปทางตามีเสียงมากระบก็ไหลไปตามหูมีรูปมากระทบก็ไหลไปทางตามีสมผัสทางกายมากระทบก็ไหลไปทางกายอย่างเงี้ยคุณเป็นทาตของเขานะีมไม่มีอิสระเลยในทงความคิดเลยแต่คนที่นิ่งอยู่คนที่เห็นตามที่เป็นจริงอยู่นี่แหละคุณมีอิสระทางความคิด แล้วคุณจะตอบสนองเขาอย่างไงก็ได้คุณจะนิ่งก็ได้คุณจะด่ากลับก็ได้คุณจะเฉยๆก็ได้คุณจะเมตตก็ได้คุณจะยิ้มก็ได้คุณจะนั่งนิ่งก็ได้<ม>นี่แหละก็เราก็มีทางเลือกไงไม่เป็นทาสมีอิสระในชีวิตอครับบางคนบอกว่าต้องการเงินมากๆเพื่อมีฟรีดอมมีอิสระตัวเองยัง ไ, ไม่รู้เลยว่าได้ฟรีดอมได้อิสระมหมแล้วจะทําอะไรกับสิ่งที่เป็นอิสระจะทําอะไรกับสิ่ง<ม>เวลาที่เรามีมาออใช่ครับอืแล้วสุดท้ายปแล้วกันยังไม่จบอใช่ครับ หาตัวเองไม่เจ อ, อครับเรื่องเรื่องป ร, ประเด็นอิสระเนี่ยจะไม่นึกถึงว่าเออคนทั่วไปนึกว่าเนี่ยมีเงินมีทองมีแล้วจะอิสระในชีวิตแต่ว่าพอมองถึงพระสงฆ์โอ้โหมีศีลล็อกหน้าล็อกหลังเนี่ยคงจะขาดอิสระแต่ว่าคนธรรมะเนี่ยคิดกลับกันนะครับบอกโหชีวิตพระเนี่ยอิสระไม่ไม่มีห่วงอะไรผูกมัดนะครับใช่ใชท่าน ก็อย่างชีว oh ิตพระอย่างเงี Aus ้ยสมมติอาตมามาบวชอย่างเงี้ยนะเราพบว่าเรา financially free ทันทีคือหม f i n a n c i a l free หมายกับว่าเป็นผู้มีอิสระทางการเงินทันทีเพราะเราไม่ต้องยุ่งกับเรื่องการเงินคืออย่างคนที่เป็นคารวาสเนี่ยคุณจะต้องมา manage cash flow ถูกไหมเข้าออกอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนแพรนดี้ในชีวิตนะะกระแสเงินเข้าต้องกระแสเงินออกรู้จักการได้มาของโบซั์รู้จักการสิ้นไปของโบซับนารงตนให้อยู่โดยเป็นสุขโดยถูกต้องใช่ไหม แต่สมณะนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยเอ้าแล้วกินข้าวไงนี่ไงบาทไปเป็นตบาดได้อะไรมาก็กินเอาแล้วอยู่ทําไงก็อยู่คนป่าอยู่เราเอ่ออยู่เราคนไม้อยู่เราป่าใช่ไหมหรือว่าถ้ามีกระต๊อกอะไรงั้นเราเข้าไปอยู่ได้เอาแล้วเสื้อผ้าทําไงก็นี่ไงจีวอนเอาผ้ามาต่อๆกันก็จบละนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อเวอร์ชาเซ่รองเท้าบารีที่อยู่นี่กูไม่ต้องอยู่เครื่องหารหลังใหญ่โตุณไม่ต้องมีจานอาหารอะไรเยอะแยะมีจานใบเดียวสบาย แล้วป่วยทําังไงก็กินน้ําดองยานมุดเน่าของตัวเองเรามี financially free ทันทีไงแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ตามมีตามได้เรียบง่ายใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงต้องบอกว่าเฮ้ยคุณก็มีชีวิตอยู่อย่างง่ายดายไงให้อยู่ง่ายๆกินง่ายๆง่ายๆนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องมาลําบากก็กระเบิดกระเสียดแล้วก็อย่างที่เราพูดขึ้นไปนะถ้าคุณมีความเงินมากคุณก็ต้องอยู่ชีวิตอย่างสบายอย่างที่คุณอยู่ได้ใช่ไหม ใช่ครับคุณมีน้อยคุณก็ต้องอยู่อย่างน้อยๆที่คุณมีครัในลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยจึงต้องไฮไลท์อีกเรื่องหนึ่งว่าการที่เราเสพกรารการที่เราใช้ของดีๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันในบางทีเนี่ยบางคนคิดว่าคนที่กับรถห ร, รูใช้ของดีๆเนี่ยพวกนี้เป็นผู้อิ่มเอิบด้วยการมาคุณนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันพูดอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้อะนะ บางทีเขาก็รู้จักเห็นโทษของการมเหล่านั้ น, นแล้วก็มีอุบายในเครื่องนำออกเขาก็ไม่ยึดติดหรือว่าหลงระเริงในกรมคุณคห้าเหล่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคิดว่าพอเรามารู้ธรรมะแล้วเราจะไปกินอาหารดีๆไม่ได้มันไม่ใช่คุณก็ยังกินตามเท่าที่คุณจัดสรรให้ได้ไม่มีปัญห า, าเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีนาออกไม่ใช่ว่าเราจะไม่รู้จักหาเงินไม่มีความขยันก็ไม่ใช่ เราต้องรู้สักวิธีที่ให้อยู่ในศีลในธรรมอย่างนี้ครับอ๋อนะแสดงว่าตรงนี้ก็ใช้ปัญญาในการพิจารณานะครับใช่ใช่ใชค่ครับครับเ่งได้แตกฉานดีนะครับมีมธรรมะอย่างหมดอิธิบาทสี่แล้วมีการแตกแยกย่อยเนี่ยสนุกนะครับท่านเพ <c oughs> ราะว่าเดิมก็รู้แต่เนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วก็แบบ ไม่ไม่ได้ลงเลึกขนาดนี้กึกทําให้ปัญญาเฟื่องฟูขึ้นมาที น, นี้รเราก็ค่อยๆศึกษาไปทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เพราะว่าเป็นอนิสงส์งจากการที่เราได้หลีกเล่นปฏิบัติแต่ดรงนั้นต้องเชิญชวนท่านผู้ฝั่งทั้งหลายเนี่ยามาหลีกเล่นปฏิบัติ ด, ด้วยตัวรพระพุทธเจ้าเองพระโอ๋เองทําเป็นตัวอย่างนะเราก็ยังเชิญชวนเพื่อทําเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ปฏิบัติในเรื่องของการหลีกเล่นนะ ค, คุณหลีกเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็ดีระยะสั้นก็ดี ก็ทําให้มากยิ่งขึ้นโดยการหลีกเลนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่ว่าปดัดในโฉกเราก็มีการจัดหลีกเลนปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกๆเดือน อ, อย่างโดยเฉพาะย่างยิ่งในช่วงปิดเทอมใหญ่เนี่ยต้องบอกท่านผู้ฟังล่วงหน้าไว้เลยว่าเราได้เตรียมโปรแกรมเอาไว้สําหรับผู้ที่จะมาในช่วงปิดเทอมถึง3รอบนะอเพื่อที่จะรับผู้ที่จะแห่กันมาได้ะนะเต็มที่เลยนะครับ ปกติเมษาจะเป็นช่วงที่คนมากใช่ไหมครับปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะมีแค่รอบเดียวทำให้การมีความแออัดมากเราก็เลยคราวนี้เราจัดสบมรอบแล้วก็ให้มาดูรายละเอียดได้ที่หลวงพ่อด็อกเตอร์ด o ทก็ได้จริงๆเพียวธรรมะดอคอมก็ก็มีข้อมูลนี้อยู่คทั้งสองเว็บไัต์ใช่ตอนนี้ก็รู้สึกมีมีอยู่ในเว็บไซต์เลยครับผมก็ได้มีโอกาสดู ครับถ้างั้นเราก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมรดโทครับแล้วก็ค่อยถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรก็ส่งคำถามมาได้ครับที่เบียลธรรมะ .com นะครับเว็บไซต์เดิมครับงั้นก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับครับต้องโอเคท่านธรรมศาสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูณีพิพุนโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสาธุเชิญพระ